สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> ในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของสาวกพระเยซูกลุ่มแรกนะครับพี่น้องครับสาวกนั้นคือคนที่ติดตามพระเยซูเป็นศิษย์เป็นผู้ที่เรียนรู้จากพระาจารย์คือพระเยซูสาวกนั้นกับคําว่าคริูต์ไม่เหมือนกันครับ ลักะขูดก็คือว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศผู้ที่ทําพระราชกิจของพระองค์และสาวกนั้นก็เป็นคนที่พระเยซูเรียกเขาให้ติดตามพระเยซูเรียนรู้จากพระเยซูเราจะพบนะครับขอทบทัวรนะครับสองครั้งที่ผ่านมานั้นผมได้เล่าถึงขณะที่พระเยซูนั้นกําลังเสด็จไปในงานสมรสที่บ้านคานาพระเยซูก็ทรงเรียกสาวกกลุ่มแรกสุดนั้น นะครับห้าคนด้วยกันนะครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่ามีใครบ้างก็คือมีแอนดรูนะครับมียอนมีเปโตมีฟิลิปและนัทนาเอลหรือนนาเอลพีนั่งับในพระธรรมยอห์นที่สองข้อที่สองได้กล่าวว่าพระเยซูนั้นได้รับเชิญและสาวกก็ได้รับเชิญด้วยเพราะเนื่องจากว่าพวกเข้าเป็นชาวกาลิลี และคาดกันว่านะครับงานสมรสที่หมู่บ้านคานานั้นคงจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่นะครับคุณแม่ของเปเยสูก็ถูกเชิญด้วยคงจะเป็นผู้กว้างขวางหรือคนที่มั่งคั่งนะครับเชิญคนเยอะแยะมากมายไปงานสมรสนั้นและเป็นงานที่มีนัยสําคัญด้วยครับนาธานเอลหรือนาธานาเอลนั้นเป็นชาวพมง์ที่ร่ํารวยฟิลิปก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ ย้อนเปโตนะครับยากอบคนเหล่านี้ครับเป็นสาวกของเปียสูที่มีระดับนะครับไม่ใช่เป็นคนยากจนเป็นคนที่มีระดับเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมพี่น้องครับเปเยสูทรงเลือกคนมาเป็นสาวกโดยเริ่มหน้าที่เลือกคนที่เปียสูจะสั่งสอนเปียสูหวังว่าพวกเขาจะช่วยงานโปรงเราจะพบนะครับว่ามีคนจํานวนมากที่ สมัครเป็นสาวกของพี่เยซูแล้วก็หลายหลาคนในนั้นก็เป็นผู้หญิงด้วยซ้ําเราจ้องแยกแยะนะครับว่าคนที่เป็นสาวกนะครับคือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาคนที่ติดตามพระเยซูนะครับแต่คนเหล่านั้นอาจจะไม่เป็น อ, อกักขรฑก็ได้เพราะฉะนั้นสี่ในห้าคนนี้นะครับต่อมาเป็นอักทูฑเมื่อพระเยซูจงเจิมตั้งเขาหรือแต่งตั้งเขา คำ ว, ว่าเจิมนะครับหลายหคนอาจจะใช้แล้วอาจจะสับสนไม่รู้ว่าเจิมนั้นคืนเจิมอะไรเจิมนั้นมีความหมายว่าแต่งตั้งหรือคาภาษาอังกฤษว่า a อน o i อยเจ็นะครับอผู้ที่ถูกเจิมก็คือผู้ที่รับการแต่งตั้งนะครับน้องครับชีวิตของสาวกห้าคนแรกนี้มีสี่คนที่เป็นอัครทูตเรามาดูกันครับว่าสี่คนนี้เขามี บันทึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเขาโปรไฟล์ของเขานะครับแต่ละคนแต่ละคนแอนดรู Andrew ครับแอนดรู Andrew นั้นเป็นบุตรของโยนาสแห่งเบไซาดาเมืองเบสซดานะั้นเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลแกลรียครับเขาเป็นชาวประมงเช่นเดียวกับซีโมนพี่ชายของเขานะครับและเขานั้นพักอยู่ด้วยกันที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะครับบันทึกไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่หนึ่งร้ยี่สิบเก้า จากการบันทึกในพระคัมภีร์นั้นเราพบว่าย อ, อนผู้ให้บัพติมานั้นชี้ให้อันดูมองดูที่พระเยซูแนะนํานะครับพระเยซูให้แอันดูจักแอันดูก็เลยแนะนํานะครับโดยการพาซีโมนซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองนั้นมาพบกับพระเยซูพระเยซูก็ทรงเรียกพี่น้องสองคนนี้นะครับให้เลิกจับปลามาเป็นอาขรทูตของพระองค์พี่น้องครับเลิกจับปลานะครับก็จริงแต่บ้านของเขานั้นก็ยังจับปลาอยู่ เรือองเขาก็ยังมีอยู่นะครับแต่เขาทิ้งแห่ทิ้งอวนทิ้งเรือมาติดตามพระเยซูแอดูนั้นเป็นอัครทูตครับที่พระเยซูแต่งตั้งหรือเจิมตั้งในภายหลังช่วยเหลือพระเยซูในการเลี้ยงคนห้าพันคนนะครับและในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งสิบามยังกล่าวถึงชื่อของแอนดรูด้วยนะครับหลังจากที่พระเยซูเสดขึ้นสู่สวรรค์แล้วหลังจากนั้นพิ่มภีก็ไม่ได้กล่าวถึง แอนดรูอีกต่อไปเชื่อกันว่าครับแอนดรูนั้นได้เป็นอัครทูตแล้วก็ไปเทศนาตามที่แต่งต่างแล้วก็ที่ที่เขาไปนั้นก็คือรัสเซียภาคใต้ครับและการเสียชีวิตเพื่อพระเยซูโดยถูกตึงกังเขนเป็นรูปตัวเอ็กซครับเมื่อเห็นกังเขนรูปตัวเอ็เมื่อไหร่นะครับคนก็จะรู้กันนะครับว่าหมายถึงกังเขนที่ ตรึงแอนดูนั่นเองแอนดู Andrew นั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่คู่ควรที่จะถูกตรึงเงินเขนเหมือนกับพระเยซูก็เลยขอให้ทำกังเขนเป็นรูปตัวเอแล้วท่านก็ถูกแขวนและตรึงบนกังเขนนั้นตายเหมือนกับที่พระเยซูสงช้นประชนอีกคนหนึ่งครับคือไปตัวไปตัวนั้นก็เป็นอัครทูตนะครับนอกเหนือจากะกเป็นสาวกแล้ว เปโตนั้นมีชื่อเดิมว่าซีโมนครับก็เลยเรียกว่าเป็นซีโมนเปโต้เขาเป็นชาวเบไสไซดาเหมือนกันครับเป็นพี่ชายของแอนดรูในพระธรรมย อ, อนนั้นก็กล่าวว่าบิดาของเปโตนั้นชื่อว่ายอนหรือชื่อว่าโยนัสนะครับหรือโยนาในภาษายูนะครับในฐานะชาวยูวนะครับคนเหล่านี้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตขึ้นในครอบครัวชาวยูวแน่นอนครับการเรียน การศึกษาเบื้องต้นนั้นอยู่ในในธรรมศาลาแน่นอนนะครับและเราก็รู้ครับว่าเปโตกับแอนดรูนั้นเป็นพี่น้องกันและมาจากครอบครัวที่มีแอนจะกินครับสัญลักษณ์สองอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเปโตก็คือปลาที่มีเหรียญอยู่ในท้องนะครับและไก่ตัวผู้พี่น้องครับคงจําได้นะครับว่าปลาที่มีเหรียญอยู่ในท้องนั้นได้หมายถึงอะไรและไก่นะครับ ไก่เจ้าผู้นั้นหมายถึงอะไรเรามาดูคนที่สามครับอัครทูตย อ, อนครับเป็นผู้บันทึกเพื่อเกติคูณย อ, อนนะครับไม่ใช่คนเดียวกันกับย อ, อนหรือบแบปทิสใชหครับอนคนกันครับย อ, อนอัครทูตย อ, อนนี้นะครับเป็นบุตรของเซบดีชาวประมงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในแคว้นแกลิลีและเขายังเป็นน้องชายของยากบครับนะครับ ยากบก็เป็นอัครทูตอีกคนหนึ่งครับและหลายหลยคนก็เชื่อว่ามารดาของยอนและยากบนั้นก็คือนางซาโลเม่ซึ่งมัทธิวบทที่ยีสิบเจ็ดข้อห้าสิบหกนั้นได้บันทึกไว้และมราระโกบทที่สิบห้าข้อสี่สิบก็กล่าวถึงเช่นเดียวกันซาโลเมนั้นเป็นน้องสาวหรืออาจจะเป็นพี่สาวก็ได้นะครับของมารีมารดาของพระเยซูเมื่อเป็นเช่นนี้ยอนนะครับกับยากรบั้เป็นอะไรกับพระเยซูครับ ยอนกับยากรอบนั้นก็เลยกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนักข่าวสารนั้นได้สรุปข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อที่ว่าครอบครัวของยอนนั้นก็ร่ํำรวยได้มีคนใช้นะครับและมีความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในตําแหน่งสูงข้าราชการทั้งหลาย่าจนนักการศาสนาในสมัยนั้นด้วยครับพระองค์ทรงตั้ ง, งสมญานามให้ยอนนะครับและยากรว่าบุตรแห่งฟ้ารอง ย อ, อ น, นั้นเป็นอัครทูต ท, ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งครับหลังจากที่ระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วย อ, อนก็ยังอยู่ในยรวเซอร์มร่วมกับอัครทูตคนอื่นๆตามที่ปเปโูรสั่งไว้ย อ, อนนั้นก็ร่วมทำงานกับเปโตรครับนักบวชศาสตร์ค้นจักเชื่อกันนะครับว่าย อ, อนนั้นเสียชีวิตในแคว้นเอเชียแต่ก่อนหน้านั้นย อ, อนได้เขียนพระธรรมย อ, อนหนึ่งสองสามและพระธรรมวิวรณ์ หลังจากนั้นยอนก็เขียนนะครับวิวรนเป็นเล่มสุดท้ายนะครับขณะที่อยู่อยู่ในเกาะอัธมอสซึ่งถูกในระเทศไปอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวร์นะครับพี่น้องครับอีกคนหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เป็นแอกคราทูดก็คือฟิลิปครับพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงฟิลิปมากนะ นอกจากว่าพระเยซูทรงเรียกและเลือกฟิลิปให้มาติดตามพระเยซูตั้งแต่ต้นฟิลิปก็ได้นำนาทานเอลหรือนาธานาเอลนั้นซึ่เป็นเพื่อนของเขามาพบกับพระเยซูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่หกข้อที่ห้าข้อที่หกได้กล่าวว่าพระเยซูนะครับได้เป็นผู้ที่หักขนมปังแล้วก็แจกให้กับสาวกนะครับเลี้ยงคนเป็นนั้นมากห้าถึงห้าพันคนในการฟริลิปนัช่วยพระเยซูนะครับในการแจกอาหาร และรวบรวมอาหารได้ที่เหลือถึง12กระบุงเต็มบ้านเกิดของฟิลิปก็คือเดซไซด้าครับและเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของยากบและยอนชาวประมงในหมู่บ้านเดียวกันด้วยในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งข้อ13นะครับกล่าวถึงฟิลิปและในบทที่8นะครับตั้งแต่ข้อที่4เป็นต้นไปเนี่ยก็กล่าวถึงฟิลิปเช่นเดียวกันพี่น้องครับนักประ า, าได้บันทึกถึงฟิลิปนะครับ ว่าเป็นผู้ที่ประกาศขา่าวประเสริฐในแคว้นเอเชียน้อยแล้วก็ฟิลิปนั้นก็ได้เสียชีวิตที่เมืองเคราโพลิสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมวลนโรมันในเอเชียเราเห็น okay. นะครับว่าฟิลิปนั้นชีวิตของเขานั้นโดดเด่นอยู่ในกิจการบทที่แปหากพี่น้องมีเวลานะครับ mm hmm. ก็โปรดกลนาศึกษาด้วยตัวเองในพระธรรมกิจการบทที่แบทเรียนในวันนี้ก็คือเช่นเดียวกันครับสาวกนั้นสร้างสาวก สาวกแนะนําสาวกให้มารู้จักกับพระเยซูและเขาจะเป็นสาวกต่อไปเป็นครับในชีวิตของเราเคยสร้างใครไหมครับเคยแนะนําใครไหมครับที่จะให้รู้จักกับพระเยซูแนะนําพ่อแม่เราครับพี่น้องของเรารู้จักกับพระเยซูลูกของเรารู้จักกับพระเยซูหรือเปล่าครับเป็นสาวกจริงๆของพระเยซูหรือเปล่าครับอาเมน